ทิดติดทำได้บ่อยหมรู้สึกตัวได้บ่อยเลยรู้สึกตัวนี่ผมจะไเดี๋ยน้ไ่ให้ขจะรูอ้อยู่ตลอดแต่มันไม่ค่อยให้เพราะเียนี้มันไม่โ ก, โกรธไม่โรกไอะไรมันไม่ไมีปรากฏการณที่ติดให้มันเฉยๆฉยเยไม่เวกั้นไม่ไ้ี่เฉ่ังตด่อยอยแต่ทีก็ไปก่อนเรพูดโทรคขาต้งมเชเฉยเฉยไม่มีหลายแบบเนะ คือใจที่สงบเนี่มัมีสองาสงานสงบแล้วสงบเฉยเฉยยันหนึ่งอีกงานหนึ่งสงบตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีปัญญาด้วยนะคือรู้แล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะอีกเฉยหนึ่งคือเราจงใจเราไปจ้องที่ติทําได้บ่อยไหมรู้สึกตัวได้บ่อยไหมรู้สึกตัวนี่ เออผมจะพูเดี๋ยนี้ไม่ค่อยขาดสจะรู้อยู่ตลอดแต่มันไม่เป็ไรให้เพาะเดียนี้มันไม่โกรธไม่เยอไม่อะไรมันไม่ต้องมีปรากฏการณ์ที่ติดให้มันเฉยอยู่ก็เลยไม่รู้จักบ้ไม่ได้เฉยแต่ยังีติอยู่อยูยแต่าทีก็ไปก่อนจะพูดโผล่เพมัเธยเฉยเฉยไม่มีหลายแบบเนี้คือใจที่สงบเนี่ยมันมีสองอันสงบแล้ว สงบเฉยๆอีนนงอกงานหนึ่งสงบตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีปัญญาด้วยนะคือรู้แล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะอีกเฉยหนึ่งคือเราจงใจเราไปจ้องไว้เมื่เราจ้องไว้ทุกอย่างนิ่มนะเราจะรู้สึกเลยเราเฉยๆทั้งวันไม่โกรธไม่มีกิเลสนะแล้วมันมันเฉยเพราะเราไปจ้องไว้สนะ่วนอีกเฉยหนึ่งก็คือปล่อยให้ใจไหลไป ให้กุศลนะกุศลให้ไหลไปล้าเป็นคนดูอยู่ข้าง้เนี่ยตัวนี้เฉยตัวนี้ไม่เฉยอนี้าจะเอาไม่ให้เฉยแบบนี้ไ่อย่าเฉยนี้อย่าไปตึงอย่าไปตึงให้มันนี่จะไม่ดึงออกมาไหอไรอย่า้ครับอย่าอย่าให้ไหลลงไปกอดถ้าไหลลงไปกอดเป็นสมบัติมาจากไหนกัรทีนี้มาจากไหนครับของจักราลน้อาปลาของจักร้าง ย้ายไปอยู่แถวตะคุ่เมเลยไม่ทำนะเราดีแล้วต้องไม่ทำ <c oughs> คือความรู้สึกตัวที่แท้จริงนล้นนะง่ายมากนี่พวกเราชอบไปทำลายมาันเพราะเราอยากปฏิบัติเนี่ยแทนที่เราจะตามรู้กายตามรู้ใจง่ายๆ เราเป็นเรื่องตั้งใจของเราให้นิ่งๆไปแต่งแต่งกายแต่งใจนะให้มันนิ่งผิดธรรมชาติที่จริงเราไม่หน้าที่ของเราปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติคือกายเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงื่อนใจเป็นยังไงรู้เป็นตามอยู่อย่าจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงเพ่จิตแล้วออกไปสังเกตจิตตาไหมจิตเราออกไปสังเกตรู้ว่าไปสังเกต เนี๋ยวเราจะละเว้นเราจะไม่ยอมดูว่าจิตกำลังไปสังเกตนะเรารอให้มันสังเกตก่อนแล้วไปเจออะไรแล้วเราค่อยไปดูวันนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ทันนะเราองรู้ที่ต้นทางเลจิตเรากําลังส่งออกไปแล้วนะส่งออกทางใจจิตเราส่งไปทางใจ่กาลังเที่ยวเที่ยวหาใหญ่ว่าจะไปดูอะไรทางใจรู้ว่าจิตส่งทางใจรู้ว่ากาลังเที่ยวหาอยู่นี่แหละเรียกว่าจิตเราไม่ออกนอก งั้นเราจะถลำลงไปเที่ยวหาพอหาเจอไปเจออะไรก็สิ่อยากเราไปจ้องไว้แ ล, ล้วลดลงไปนอนแช่กับสิ่งนั้นงั้นการนอนลงไปนอนแช่นี่นะช้าที่สุดเลยหมายถึงไม่ทันนะการเที่ยวหาอยู่นี่ก่อนจะแช่ต้องเที่ยวหาให้เจอถ้ารู้ว่าหานี่ใช้ได้เลยแม้เที่ยวหานะดกลัวไหยรู้ทันตรงนี้เลยนะไม่ต้องรอให้เขาไปหาเจออะไรก็สิ่อยากแล้วไปมานั่งอยูแ่แบ น, นั้น นั้นไม่ทันนะคือปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดถือไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูเราจะเห็นแต่ปลายทางยิ่งสังเกตไหมพอเรารู้ทันกิจที่หาเนี่ยเหมือ น, นเงาตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงสภาวะเป็นความตื่นตัวนี้ยไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนสื่นได้แต่ทุกคนชับปล่อยใจให้ไหลไปหรือที่รู้ไม่ทันมันอีกพวกหนึ่งด่วใจจะไหลไปก็บังคับไว้ไม่ให้ไหลนี่ก็ผิดนะ อย่าไปเพ่งเอาไว้อย่าไปบังคับอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้เขาทําอะไรให้พอรู้ทันพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆเราเป็นคนดูอยู่วงนอกเป็นเกณฑ์ไหมพี่ตีออกไปทํางานอีกนะเรยรู้ต้นทางอย่างนี้ลรู้ว่าส่งออกไปทํางานนะที่ต้องสอนเป็นพิเศษเพราะว่าหนุ่หน่ยจะได้เป็นสอนที่สาราลุงชิน <c oughs> ทุงลุงทำอย่างไร าทางพยาวมีอาจารย์ไทบูอาจารย์ไทบูนเก่งกันเคยชุดไปหาท่านที่ถึงไปกลาาถามหลวงพ่อปฏิบัติยังไงโอ้เป็นถามอะไรติบครูดเดียวกันเคยรูดด้จักเลยนะ คืออัตมาก็ใครเคยฝึกยังไงก็ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกไปอย่างเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือให้พยายามรู้สึกตัวให้ได้อย่างบางคนพุโทโธพุโทโธหรือหายใจเข้าหายใจออกแล้วใจไปเคลื่อนอยู่กับพุโทโธใจไหลไปอยู่กับลมหายใจเคลือล่อนเสอะแผลไปอย่างนี้นใช้ไม่ได้เน้นเราไม่มีความรู้สึกตัวก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรม คนไหนฝึกพุโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธแล้วก็มารู้ทันจิตพุโทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาในเราจะเอาปลาเไม่ได้เอาเหยื่อเราพุโทโธพุธโทโธไปจิตอยู่กับพุโทโธเราก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นเราก็คอยรู้ทันเอาพุโทโธมาเป็นเหยื่อล่อคนไหนจะขยับมือแบบสายลงก็เกี่ยนก็ได้ขยับขยับไปจิตหนีไปอยู่กับความคิดเรารู้ทันมันหนีไปแล้ว ก็จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นอันเดียวกันอีกเขาอหัวใจของการปฏิบัติคือให้รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะตามรู้กายตามรู้ใจแบบสบายๆ<บา>เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปช้าๆคอยดูว่าเขาเป็นยังไงบังคับเขาได้หรือบังคับเขาไม่ได้ฉะนั้นต้นทางเราจะฝึกมาจากสำแนักไหนก็ใช้ได้นะฝึกให้เพื่อให้มีสติ คือเพื่อให้มีความรู้สึกตัวเพุโทโธรู้ทานจิตจิตอยู่กับพุโทโธก็รู้จิตหนีไปก็รู้หนีไปไหนส่วนมากก็หนีวิคิดนั่นแหละจะขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้นี่หลงเพ่งแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นี่หลงเผลอไปแล้วก็ออกมารู้สึกตัวได้เช่นกันจะดูท้องฟอ ง, ท, องท้องยุค ก, ก็ได้ือท้องฟองท้องยุค ก, ก็เป็นเหยื่อตกปลาเป็นเหยื่ออีกชนิดหนึง่ง เหตุท้องฟังท้องยุบจิตอยู่กับท้องฟังท้องยุบก็รู้จิตหนีไปก็รู้ข <ST AR> ้อสําคัญก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติเราพลาดมากๆก็คือพอไปรู้อะไรแล้วมักจะไปเพ่งนั้นนั้น ไ, ไปเพ่งนิ่งไปนอนแช่อยู่กับสิ่งที่เราไปดูเข้าอันนั้นหละจุดที่พลาดพระใจของเราไม่ตั้งมั่นพอไม่มีกําลังที่จะตั้งมั่นพอไปรู้อะไรก็ไหลลงไปแช่อ ย, อยู่กับสิ่งนั้น พลาดก็เหมือนกันนะตำแหน่งไหนก็พลาดที่เดียวกันนี้แม้พี่ตีมัห น, นีไปเราอาจจะขยับมือมีไหมแต่มันก็หนีเนี่ยเราขยับมือก็ได้ขยับมือไปหลวงพ่เสียงท่านยกสูงหน่อยนะเรากลัวคนอื่นดูเราเนี่นั่งเข้าไปีก็ได้เข้าไปสบายๆเข้าไปเรารู้สึกกลัวไหมใจเผลอใจก็รู้ทันพอรู้ทันต่อไปพอเราฝึกมากๆเนี่ยพอ พอเราเผลอตัวแล้วเกิดขยับโดยไม่เจตนาจะข ย, ยับสติจะเกิดเองนะถ้าเราเคยรู้กายถ้าคนไหนเคยตามรู้เวทนานะเวลาเผลอๆ เ, เนี่ยพอความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจสติจะจะเกิดเองขึ้นมาเหมือนกันคนไหนเคยดูจิตเห็นกุศลเห็นอกุศล้วพอเผลอๆเ ป, อป็เห็นเพื่อนแล้วดีใจวิ่งจะไปทักเพื่อนนถ้าคนดูกายเนี่ยเท้าข ย, ยับแล้วรู้สึกตัวแล้ว แล้ไม่หลงแล้วคนเคยดูจิตเห็นเพื่อนเราดีใจเห็นดีใจโกรธรู้สึกตัวล่ะเพราะฉะนั้นสติเลยเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราเคยหัดตามรู้กายตามรู้ใจที่พามสติเกิดเนี้ยนะก็ไปมารู้รู้ตัวไปเรื่อยๆมันเปลือไปก็รู้เราจะเห็นว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ตามรู้ไปเราก็จะรู้ว่าบังคับไม่ได้กับ แต่ไตรที่สี่คือขาดโยมนั่งก็ยี่ได้นะโยมนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งก็ยี่ได้ข้างหลังก็มีเปนสุนันเป็นยังไงบ้างถ้า เ, เราเคยทำเป็นนะมันก็ไม่ยาก น, นะอเนืออที่กิตปีนี้ไปแนละ้วเนี้อหัตถอย่างเนี้ย เราไม่ห้ามเขาด้เราไม่ว่าเขาด้วยเขาจะหนีเราก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ใช่ต้องการบังคับเขาเราต้องการรู้ความเป็นจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้กันานะถ้ารู้ไปสบายๆอะไรจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราก็ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเองเหละนะอย่างนี้หลงไปแนละ้ดวดูออกไหมมันหลงกระมิดมากเลยเหมือนกับเรากระสับกระสับอยู่เหมือนเรารู้สึกตัวอยู่แต่ความิงคิดถลำลงไป หนีไปคิดถ้าว่าหนีไปคิดเอห้ามไม่ได้ถ้าฝึกไปเรื่อยจะเห็นแต่ ว, ว่าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยหนีไปอีกแล้วหนีไปก็รู้ไปอีกรู้ไปที ล, ลักษณะเราจะเห็นเลยว่าเกิดกระดับที่ยิบเลยนะความเผลอจิตที่เผลอจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาสติตามทันปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมานจิตที่เป็นอกุศลกระดับจิตที่เป็นกุศลเกิดรู้สึกตัวอยู่ในแวบเดียวก็ไหลไปอีกแล้ว ที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเี่ในที่สุดก็จะเห็นเลยว่าทั้งจิตทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศล น, นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเไม่ใช่ฝึกให้เที่ยงนะฝึกให้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองนี่เราจะเห็นข้อเท็จจริงได้ถ้าเราไม่เผลอแต่ถ้าเราเผลอเราใจลอยเราหลงไปในความคิดหรือหลงไปในการดูในการฟังอะไรพวกนี้เราก็รู้ทันไม่ได้ก็คแค่นั้นเอง นะสลัมไปนะที่ดีถอยขึ้นมาสังเกตออกไหมคุณนี่นี่หันรู้ไปเรือยๆหันรู้สบายๆอย่าเครียดนะต้องสบายเราถือว่าการเรียนศาสนาพุทธนี่เราไม่จํากัดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องจบหลักสูตรในกี่วันกี่เดือนกี่ ป, ปีเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปตลอดชีวิตได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ทํานะมันดีๆอยู่นะอย่าไปทำขึ้นมา นกง่วงยังเออง่วงรง่วงนะเป็วิญญาณาเป็นยังบ้างหายไปนานอย่างนี้เข้าถ้านะเออออกมาออกมาดูโลกคือออกมาดูโลกมาดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนบอกกายกับใจเนี่ยตัวทุกข์สังเกตไหมเรามีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจไม่มีทุกข์อย่างอื่นนะมีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจ ร่างกายจิตใจไนดะ้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ฉันบอกทุกข์ให้รู้ให้เราฝ่ายรู้กายรู้ใจไปทําไมต้องรู้ละ่ะรู้เราหายทุกข์ไหมไม่หายนะรู้เรากายกใจก็ยังเป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนอย่างเราเป็นหมออย่างเป็นหมอคำพลเป็นหม อ, เ, หมอเอาเชื้อโรคมาส่องดูดูเชื้อโรคนะเป็นเชื้อโรคไม่ได้ตายนี่ย้าดูไป พอรู้เท่าทันว่ามันทานํางานยังไงอะไรเงี้มันก็หลอกเราไม่ได้ทีหลังเนี่ยเราก็อยู่กับมันโดยไม่ทุกข์แต่ถ้าเราปฏิเสธเราไม่อยากเลยเราอยากสุขลึกๆก็คืออยากสุขอยากสมหวังอยากสุขอยากสมหวังปฏิเสธความทุกข์ความทุกข์เป็นของจริงนะเป็นของจริงของพอระอริยะด้วยเรได้ทุกข์อริยสัตว์ความทุกข์เป็นความจริงของพระอริยะ เป็นของมีจริงนี่หน้าที่ของเราต่อทุก ค, คือให้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแล้วเราก็จะเริ่มพบอะไรบางอย่างลำพังกายกับใจที่ว่าเป็นก้อนทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ด้ใจที่เป็นกลางไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกจิตใจไม่ทุกข์มันทุกข์แต่เหลือแต่ทุกข์ที่กายอารมณ์ก็ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างไอยรู้ไปเรื่อยๆอใจเราไม่ทิ้นทน ไม่แส่สายความทุกข์มันน้อยลงนะความทุกข์ที่ใจไม่มีเหลือแต่ความทุกข์ของขันห้าขันมันก็ทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นแหละใจลอยใจลอยก็รู้ไม่ได้นั่งเพ่งก็รู้ไม่ได้นั่งเพ่งเนี่ยรู้ได้เหมือนกันนแต่รู้ไม่ตรงความเป็นจริงแต่ใจลอยจะรู้ไม่ได้เลยที่สี่ขึ้นมา ไหลเข้าไปได้ทีมนั้นเป็นเหินบ้างพอนาเป็นเงินบ้าเสือบ่อยหมเสยเออดีเสือนานไม่ดีนะเสือบ่อยดีเวลากิเลสเกิดเห็นชัดไหมเห็นไวไหมเออเห็นตัวไหนไวกว่ากันอ่ะกิเลสมีหลายตัวเออเหรอ กิเลตัวไหนแรงก็เห็นตัวนั้นไหวตัว ไ, ไหนมีกําลังมากเราก็เห็นง่ายส่วนมากก็โทสะเห็นง่ายแล้วมันแรงโมหะเห็นยากโมหะโมหะความหลงมาเห็นยากที่สุดเลย <c oughs> บางทีเราคิดว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วนะเราหลงอยู่ใจเราเนี่ไม่ได้รู้ตัวอีกใจเราไหลไปจ้องอะไรบางอย่างอยู่เราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวละ นจะเป็นโมหะจริงแล้วโ ม, มหะจริงๆดูยากมากใจเราฟุง้งฟุ้งนิดเดียวเช่นเอ๊ะเราจะปฏิบัติอย่างไรดีนี่โมหะไปกินนะหรือใจเรากำลันลงนั่งจ้องเราเห็นความโกรธเห็นราคะอะไรเกิดขึ้นมาเราไปนั่งดูแม้เห็นราคะเกิดดับรวิีใจสลังลงไปดูนี่โมหะวิกินอีกแ ล, แล้วเพราะงั้นโมหะดูยากค่อยๆดูค่อยๆสังเกตทีแรกเราก็เห็นกิเลสหยาบๆ พอสติพอปัญญาเข้าใจมักขึ้นเยอละเอียดขึ้นพอละเอียดมากๆต่อไปมันหลอกให้เราทํางานไม่ได้ที่ติขึ้นมาที่ติไม่เหมือนกันรู้ไหมต่างกันมากเลยตรงเนี้แต่เรียนยากที่สุดแต่ไม่มีทางเลือกนะไม่ว่าจะปฏิบัติวิธีใดเนะี่ยสุดท้ายก็หีตรง น, น, นีไม่ได้ที่ติสังเกตไหมว่าจิตเราไม่คงที่ เปลียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเผลอก็มีเดี๋ยวไปคิดก็มีนะแต่ลอยไปเลยก็มีเลอะเลอไปเลยเรือนเรือไปเลยก็มีเดี๋ยวก็รู้เฉยๆเดี๋ยวก็ไหลไปในสิ่งที่รู้ไม่แต่ละหันเลยล้วนแต่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียนก็จะห้ามแต่เราเรียนจนเห็นว่าโอ็ทํางานสารพัดเลยรเราบังคับก็ไม่ได้ถ้าเรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะ คือเกี่ยวกับความรู้สึกเดิมของเราความรู้สึกเดิมเราปฏิบัติก็จะให้จิตของเราดีปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามีความสุขให้มันสงบเราต้องเปลี่ยนเข้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตดีให้มีความสุขให้มีความสงบแต่เฝ้ารู้ลงไปจนเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นตู้เป็นอ น, นัตตาหเอ้ยข้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการฝึกไม่เหมือนกัน ถ้าจับเป้าหมายผิดเราก็จะเดินผิดเราก็จะมุ่งทําจิตของเราให้สงบมุ่งทําจิตของเราให้ดีพยายามที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลานั่นก็ผิดนะเพราะอะไรเพราะมันทําไม่ได้เราต้องการรู้ตามความเป็นจริงเถอะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกตั ว, เ ด, ว, ตวเดี๋ยวก็เผลอรว้จกักตักหมไหมทั ก, มมกมหม้อพระรามาจารย์ตักหม้สอนไว้อันหนึ่งหน้าฟัง รู้กับเหลือเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงมันสุดคู่กันก็คือมันไม่ใช่เราทั้งคู่กัาคบคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึง่งไม่ได้ฝึกเพื่อปฏิเสธอีกอันหนึ่งแต่ฝึกจะรู้ความจริงว่าทุกอัาทุกสิ่งทุกอานนั้นเอาไม่ได้คับคับไม่ได้ที่ ต, ติดตั้งตรงนี้แม่นๆนะถ้าแม่นเราจเดินเงย ถ้าพลาดจุดนี้แล้วไปไกลเลยส่วนมากพลาดจุดนี้ยคือไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติมุ่ง บ, งบังคับมุ่งข่มมุ่งแก้ไขมุ่งดัดแปลงคิดว่าถ้าบังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้ตลอดดัดแปลงให้ดีได้ตลอดนะแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกมันบังคับไม่ได้แนละ้วจิตเป็นอนัตตาแค่จะรู้สึกตัวก็ยังทําขึ้นมาไม่ได้นะพี่ตีรู้สึกไหม ดูออกอย่างก็าตรงรู้สึกตัวอย่างแกล้งทําขึ้นมาไม่ได้เะตรงที่เผลอไม่ได้ตั้งใจจะเผลอห้ามไม่ให้เผลอไปก็เผลอเนี่ยมันบังคับไม่ได้นี่เรียนแล้วเข้ามาสู่จุดนี้แล้วต้องง่ายเลยไม่ไปบังคับอะไรมันเออไปตึงๆแล้วไปแกล้งทําขึ้นมาเอ้าโยนี่เสือหรือแมวแมวเออแมวแดงเนี่ย ไม่บังคับนะชอบเพ่งรู้ไหมว่าเพ่งพ อ, หองเหลอกำลังเยอะเรื่องยืมก็เครื่องมือที่ทำให้สติเกิดข่อยก็คือการทำสติปัฏฐานคอยหัดนู้ไ้สักอันหนึ่งรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้ไดและแต่จลิตเรารู้กายก็เพื่อให้มีสตินะรู้เวทนารู้จิตกเพื่อให้มันเกิดสติขึ้นมา ควมีสติแล้วคราวนี้เป็นกลางแล้วไม่มีสายไหนสายไหนนะคะามมีสติมีความรู้สึกตัวมีใจตั้งมั่นคราวนี้ก็จะเห็นใจเห็นใจบังคับไม่ได้ไม่มีสายนะไอ้ที่สายนั้นสายนี้นตอนเริ่มต้นทำไงจะมีสติทำไงจะตื่นอันนี้แล้วแต่นิสยัยนพี่ติดขึ้นมาวุ่นเป็นไงวุดฟังมาหลายปีรู้เรื่องอยัง มันไม่ใช่ดวงจิตแต่คือเพื่อนใช้ใช้ตันี้อ่านใน้รื่องของค่าอือก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าวเองหอืว่ า, เ ห, เ, า, าเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็พยายามคิว่าทุกข์เกิดที่เราหยดมันพอเรายหยุดหยดยึดทุกข์เรากหยุดเทแต่ว่ามันก็จะหยุดได้ไหมก็หยุด ไ, ได้ถ้ารู้ทันอือแต่มันก็ไม่ตลอด ไ ม, ม่ตรงไม่ตลอดนั้นแหละของจริงถ้าทุกอย่างคงที่ก็แสดงว่าเป็นของไม่จริงแล้วการที่บังคับจิตให้รู้ตลอดไม่ได้นั้นถูกต้องแนละ้วไม่มีใครทําได้หรอกเพราะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไอยา่าไปคิดเอานะต้องไม่คิดเอา คำว่าไม่ยึดเนี่ยไม่ใช่นึกนึกไม่ยึดหรือแม้บางทีเราอ่านธรรมะนั้นบอกว่าเออสิ่งทั้งปวงไม่ควรคิดมั่นเนีถ้ายงนั้นถ้าเราไม่ยึดเราไม่ถุกหรอกเรายึดความคิดอันนี้เรายึดวา่าสิ่งทั้งปวงไม่ยึดมั่นแล้วเราไม่ถูกคือคืมอมันรู้ว่ามันถูกก็เลยเลยต้องพยายามวางที่สินการพยายามวางเนี่ยมันเป็นการจะทำอันหนึ่งพยายามวาง นี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัววิปัสนาวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่พยายามวางการปล่อยวางเนี่ยเกิดจากจิตมันเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยเองอย่างมันเข้ารู้กายเข้ารู้ใจไปเรื่อยๆเห็นว่าเออกายก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแี่พอเห็นทุกข์แจ่มแจ้งคือเห็นใจเห็นใจตามความเป็นจริงแจมแจ้งเขาจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจ ไม่ต้องน้อมใจปล่อยไม่ต้องกล่อบให้ปล่อยแต่ถ้าเราใช้ความคิดเมื่อร่างกายเราไม่เที่ยงไม่ทุกนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนอ ย, าย่ามายึดถือเลยนี่เราน้อมใจปล่อยเพราะฉะนั้นอย่ามิใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาจะไม่ได้เอ า, า, า, ากินตามอวัยวะปัญญาไม่เอาความคิดเข้าไปแทรกแต่ต้องเรียนกับของจริงเรียนที่กายจริงเรียนที่ใจจริงๆตามรู้ไปตามสังเกตตามรู้ตามสังเกตอย่างสบาย จะเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ใจจะ ว, า, า, วางเพราะวาของเขาเองเลยที่เราไม่ต้องเครียดหรอกคล้ายๆอย่างเด็กมันเห็นผ่านไปแดงๆอยากจับถ้าเราไปบอกเด็กอย่าจับเลยอะไรเงี้ยเด็กก็น้อมใจเชื่อเด็กดีน้อมใจเชื่อไม่จับแต่ถ้าเผลอแล้วจะจับอีกแต่ถ้าเด็กนี้เคยจับเข้อพิธีหนึง่งเด็กรู้ว่าทุกเด็กไม่จับอีกวิปัสสนาเนี้ยต้องพาดูของจริงๆไม่ใช่เรื่องคิดเอานะแต่มันก็ มันทําให้สบายใจชั่วคราวได้<ฆ>เป็นวิธีแก้ปัญหาชัวา่วคราวคล้ายๆปวดหัวแล้วกินผาลาแต่มันก็มันก็เกิดเพราะว่าทุกข์เราก็เลยเลยคิดว่ว า, ว า, วามันทุกแล้วเราก็ไม่อยากไป่เห็นไหมลึกๆมันคืออะไรเราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์เราก็เลยทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วเราค้นทุกข์เห็นไหมไอ้ทุกข์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์แต่เราเนี่ยคงที่เลย เราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์เราก็เลยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทุกข์เรานี่ไม่เคยกระเทือนเลยเพราะฉะนั้นตรงที่วิปัสสนาแล้วเราเอาความคิดมาใส่นะมันจะทำลายความยึดถือความเห็นว่าเป็นสัวตนไม่ได้มันจะแค่ปล่อยแล้วสบายช่วงคราวก็คล้ายๆอย่างอย่างวุ่คิดแบบนี้เอออย่าไปปอย่าไปยึดนะแล้วไม่ทุกข์ไม้นี่หนุ่ ม, นมเนี้ย จิตมีราคาก็รีบคิดบ้างอย่าไปรักเลยผู้หญิงตรวปลอมเป็นปฏิกูณเป็นอนุภากล่อมๆเปสบายใจไปเดียดเด๋ยวกระดาไปเดี๋ยวเพิ่งก็รักใหม่หอโยโย่ขี้โมโหโ ย, โยแผลเมตตาแผลแลว้วเย็นนี้เย็นเจออีกวันนึแผลไม่ลงอีกแล้ว ม, มีวิธีที่แก้แก้แก้แกอาการคล้ายๆปวดหัวแล้วกินผาลาไม่ได้แก้ต้นเหตุของมัน ต้นเหตุของมันคือความเห็นผิดของเราความเห็นผิดที่ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราดังนั้นวินปัศนาเท่านั้นที่จะมาทําลายความเห็นผิดตัวนี้ได้คือมาเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจเพื่อจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เราเพราะเราบังคับไม่ได้เองใจเราเนี่ยนั่งฟังธรรมะเนี่ยเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดยังเลือกไม่ได้เลยนะใครเลือกได้บ้างว่าตอนนี้จะดูตอนนี้จะฟังตอนนี้จะคิดดูก็ดูในแวบเดียว เดี๋ยวก็ไปคิดแล้วคิดไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวออกมาดูใหม่ออกมาฟังใหม่ไม่มีตัวไหนบังคับได้ข้อเท็จจริงของมันคือมันบังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีปัญหารุ้สใจเราก็คิดอย่างนั้นก็ได้ดีแล้วสบายใจชั่วคราวดีกว่าปวดหัวทั้งวันเไงกินยากแก้ปวดก็ดีกว่าไม่มียาทีกินเลยแต่ถ้ามีกําลังมากกว่านั้นก็มาดตตูต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์เนี่ย อยู่ที่ใจเราแอบไปยึดทีใจเราไปยึดเพราะว่าเรนคิดว่ามันคือตัวเรากายนี้เป็นของเราพอมันไม่สบายเราคลุ้มใจจิตนี้มันเป็นของเราพอมันไปเห็นไปรู้ไปได้ยินไปคิดอะไรที่ไม่ดีมันมีความทุกข์เราก็ครุ่มใจไปด้วยนี่ถ้าเฝ้ารู้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนะ่มันก็ไม่คลุ้มและไม่ต้องห้ามแล้วไม่ต้องนั่งแก้ทีละยศนะอย่างนี้ต้องแก้กันเป็นวันวัน เอาวันนี้แก้ตกก็สบายอีกวันนึงแก้ไม่ตกกแลังคิดอย่างเดิมหมแก้ไม่ได้ก็อะไรก็เชื้อโรคมันดือ้อยาหลวงตามหาบัวชับสอนไงบอกว่าปัญญาที่ไปใช้ชูวงกิเลส น, นะต้องเป็นปัญญาสดๆร้อนๆนะเอาปัญญาสําเร็จรูปวันนี้แก้อย่างนี้อีกวันอีกจะเอาอยาตัวเดิมมาใช้ไม่ได้กินแนละ้วกิเลสพัฒนามนดื้อยาอย่างรวดเร็วเลย นแล้วไปอีกขั้นหนึ่งเป็นดูเห็นว่าไม่ใช่เราคื อ, องนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ปฏิบัติตามยถากรรมนี่จะมีดวงตาเห็นธรรมอย่าไปนึกว่ายากนะถ้าทําเข้าใจแล้วทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้บ้างอลยนี่ถ้าอยากให้มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าอะไรก็เห็นว่ารูปนามขันธ์ไม่ใช่ตัวเรา ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราครับมีวิธีละความเห็นผิดไม่ใช่คิดคิดเอาว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องมาดูของจริงว่าเป็นหรือไม่เป็นเหมือนอย่างคุณเทศเนีย้ยเราจะรู้ว่าคุณเทศเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้อย่าไปคิดเอาเราต้องตามดูเอาต้องตามดูพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์คาตาพลจะดูบ้างนะอาจารย์จุนเข้าวัดทุกวันไปไหนไม่คลาดสายตามไม่แน่นะ ต้องคอยตามรู้ตามสังเกตนี่เคยใครก็มาเล่าให้ฟังนะว่าสามีนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะพอตายแล้วมีผู้หญิงจูง็จมาภรรยาเคยเป็นภรรยาคนเดียวนะแต่สถานภาพเป็นภรรยาหลวงนะเพิ่งรู้ว่าได้เป็นภรรยาหลวงตอนงานศพอยู่เมืองแรก แกฉลาดมากนะแต่ผู้ชายฟังแล้จะไปใช้ก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เป็นตกเรากเอาเอง <c oughs> มีลูกแต่ละบ้านนะตั้งชื่อเดียวกันหมดเลยสมมติว่าบ้านนี้ลูกชื่อหน่อยบ้านนั้นก็ลูกชื่อหน่อย <c oughs> <c oughs> เวลาเรียกจะได้ไม่เผลอเห็นแน่นเนียนมาก <c oughs> เห็นไม่สังเกตอยู่ที่ใจเรา <c oughs> ใจเราเมื่อกี้นิ่งๆรู้สึกไหม ตอนนี้จิตใจแต่และคนรู้สึกผ่อนคลายลงรู้สึกไมเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> การปฏิบัติทำไม่ได้ยากอะไรหรอกตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตส ง, งใจไปก็ได้ <Yeah. S 1> ง่ายๆเห็นไหมว่าไอ้ <Yeah. S 2> ที่ผ่อนคลายต่อกี้เริ่มวิ่งขึ้นไปอีกแล้ว <Yeah. S 2> แต่วิ่งแล้วยังสบายกว่าตอนแรกรู้สึกไหม <Yeah. S 2> ใจเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไป <Yeah. S 2> ขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกัน จะส่งก oh. ันบ้านอะไไหมเมื่อก uh ี้ส่งหมดหรือยังอยากมานั่งใกล้ๆอออยู่ว่าจะมีอะไรแปลกๆเยอะเลยโยมอยากมบางคนเลยค้อนนั่งเฉยๆก็มีบางคนมาขอใส่บาเฉยๆอ่าเชิเชิญที่หลวงพ่อพูดไปว่ามีการจำด้มีการ อืวเป็นองค์ธรรมเป็ตัวกันสำหรับชยยะเป็นตัวปัญญาต้องมีสติประกอบด้วยมีสัมมาสมาธใิใจตั้งมั่นบางสำราก็าสอนเนอ่ิธรรมนะบอกว่าสัมมาส ม, มาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาบางสำราก็บอกโยนิโสมนานัสิกานคือการมองได้ตรงมุมที่พระเจ้าสอนทำให้เกิดปัญญา ดังหน้าที่ของเราก็คือมองให้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนจะมองได้ตรงมุมก็ต้องรู้ก่อนมาพระพุทธเจ้าสอนอะไรจะสอนให้ตามรู้กายตามรู้ใจเราตามรู้ไปถ้าการปฏิบัติของเราออกนอกกรอบของการตามรู้กายตามรู้ใจก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วรู้ทันนี่เราจะตามรู้กายตามรู้ใจจนเกิดปัญญาเห็นจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราได้ ในระหว่างที่สติไปตามรู้กายตามรู้ใจอยู่นะใจต้องตั้งมั่นต้องมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นนี่มีสองอาการอาการหนึ่งก็คือว่าสติเราเรื้ยงอยู่ที่กา ย, ยใจต้องไม่วอกแวกหนีไปที่อื่นนี่เรียกมีเอกตาเอกคตาเจตสิกจับอยู่ในที่เดียวกันอีกงานหนึ่งก็คือพอสติไม่รู้กายรู้ใจแล้วใจไม่ไหลเข้าไป ไม่ไหลเข้าไปในสิ่งที่เรารู้รวมความก็คือไม่หลงไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไม่จมลงไปในสิ่งที่เรารู้ใจก็ตั้งมั่นอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปคื้ผมไม่ได้ั้งใจจะให้เขียวโยกันนะคะแต่ว่าถึงความหมายว่ากับโยนิโสมาลติการเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันแยกนะคะหรือว่าเราแยกกันคือโยนิโสเนี่ยมันเป็นความแยกผาย ในการมองเลือกมุมมองที่ดีอย่างสุเราปฏิบัติทำอยู่เนี่ยนะเรารู้สึกแม่จิตเราสงบทุกวันเลยทุกวันทําได้ดีสงบเงียบทุกวันเลยแต่ถ้าเรามีโยนิโสมันนติการเนี้เราต้องเฉลียวใจนะ ว, ว่าเอ๊ะความสงบนี้เที่ยงเหรอทําไมมันเป็นอย่างนี้ได้ทุกวี่ทุกวันแล้วมันเฉลียวใจขึ้นมาก็จะรู้อ๋อไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างเงี้ยเราคงทาอะไรผิดแค่สักที่หนึ่งนะมันจะทําให้เราไม่ไม่หลงนานไม่ผิดนาน แต่แม่ชัญญามันมีสี่ตัวเน่ยสีตัวคือเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรอันนี้ต้องรู้ชัดตัวสุดท้ายก็คือในขณะที่ทําอะไรอยู่นั้นะต้องไม่หลงนะไม่หลงโมหะไม่แท้อันนี้ตัวสําคัญเลยส่วนมากเราทํากรรมฐานที่โมหะแท้เช่นเราไปดูอารมณ์มันนึงอยู่หรือยกมืออยู่เราดูมืออยู่จิตเราหลงเข้าไปอยู่ที่มือเราดูไม่ออกนะ นิโมหะแกทกเพราะฉะนั้นถ้าอยากถ้าเมื่อไหร่โมหะไม่แทกความรู้สึกตัวเนี้จะเกิดขึ้นมารู้สึกตัวอยา่างแท้จริงเลยแล้วความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นมาตัวเนี้ยมีชื่อว่าอะโมหะอะโมหะไม่หลงคําว่าปัญญามีอีกชื่อหนึ่งของคําว่าปัญญานะั่นคือชื่ออะโมหะเพราะฉะนั้นปัญญากับโมหนะตรงข้ามกัน เมื่อไรหลงเมื่อไรเผลอคือไม่มีปัญญามันโยงกันนะมันเหมือนไม้สามันแนละ้นตั้งกิ่งกันนะ <c oughs> นะดึงออกอันหนึ่งก็ล้มไปเลยคือสติสัมมาสมาธิกับปัญญาอย่างขาดสติสมาธิตั้งไม่ได้แนะใจเริ่มไหลไปเคลิ้มก็แง๊กนกแงก๊ง ก, แงกนะนะสติไม่มีสมาธิก็อยู่ไม่ได้ ใจเคลิ้มงกแงงอแงนี้มิดนนี้มิดนีนดน่ปั่นน้นปั่นนีน่ไม่ใช่ปัญญาแล้วหลงไปแล้วถ้าสติตัวเดียวก็หมดเลยถ้ามีสติแต่ใจเราไม่ตั้งมัน่นเราจะไหลลงไปเพ่งนิ่งอยู่ใ น, นอารมณ์เดียวเช่งนิ่งนิ่งอยู่คราวนี้นิ่งแล้วนิ่งไม่ใช่ตั้งมัน่นนิ่งก็ตั้งมันนะ่นนี่โบรานกันนี้เราชอบไปแปลสมาธิว่านิ่งนิ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องสงบ จะเป็นเรื่องตั้งมั่นฟาสติลงไปรู้ใจไม่ตั้งมั่นไม่สับแต่รู้ได้ปัญญาก็ไม่เกิดก็ลงไปนอนจมอยู่อารมณ์อีไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ได้มีปัญญาลูกเดียวไม่มีสติก็ฟุ้งซ่านคิดเอาเองเพราะนั้นทำสามตัวนี้ยิงกระใสกันแท้จริงไม่ใช่มีสามตัวที่ยิงกระใสกันนะอริยมรรคมีองค์แปด เป็นอันเดียวเลยองค์ประกอบแปดอันนยะิ่งกันอยู่ดึงออกตัวหนึ่งก็ล้มหมดเฮ<ม> okay. ้ยดวิญญาณดูด อ, อกไหมแต่เราวิ่งไปวิ่งมานะห้ามไม่ได้นะแล้วก็อย่าไปห้ามมันแต่มันวิ่งไปเราก็รู้ทั น, นไรเรืเ่อยๆเออวิ่งไปทางนี้ทีวิ่งไปทางนี้ทีนะ อย่าไปดักไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนเลยนะถ้าจ้องก่อนแล้วยเครียดห้ามจ้องไว้ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จ้องไว้ก่อนท่านบอกให้สามรู้ที่ท<น>่นบอกว่าสติสติจะเกิดบ่อยเพราะว่าจดจำอารมณ์ได้ถ้า เ, ก, าาเกิดบ่อยเพราะว่าอะไรเออเพราะว่าไม่รู้จักสภาวะาวาาเลยเพราะงั้นบางบางสำนักโดยเฉาสำนักอริธรรมเลยได้บอกอย่เพื่งปฏิบัตินะให้เรียนให้รู้จักสภาวะก่อน แล้นั่งเรียนนั่นฟ้องกันนะโทสะเป็นยังไงนะมีอาการยังไงทํากิจกรรมอะไรทําแล้วมีผลเป็นยังไงนะอะไรเป็นเหตุใส้ให้โทสะเกิดเรียนดีละตัวดีละตัวเรียนไปจนครบเจ็ดสิบสองตัวเรียนเจ็ดสิบสองตัวได้แล้วก็มาคอยสังเกตของจริงเอ๊ะตัวที่กําลังโผล่ตอนนี้มันตัวอะไรนี้ถ้าเราจะไม่เรียนอย่างจากปริยัตมาเรามาคอยสังเกตเราก็ได้ อย่างใจเราเนี and and ่ยเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็รูปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสภาวะทำเยอะแยะเลยสมมติว่าเราใจเราเคยรู้ทันว่าอ้อเกิดเป็นอย่างนี้ต่อมาพอมันเกิดพุ๊บสติเกิดเองเลยไม่ต้องแกล้งทําให้เกิดอ้อบอกอ้อมันนั่งเฉยๆนะบางคนมาทําบุญเฉยๆก็มีแต่หลวงพ่อสอนอยู่อย่างนี้หลวงพ่อบอกให้รู้เฉยๆนะไม่ค่อยมีคนยอมทำ เอะที่สี่ไม่รู้เฉยๆล้วกระทำลงไปแล้วดูออกไหมตรงนี้ไม่เหยออเเป็นดูยากค่อยๆสังเกตต้องดูสบายๆนะอย่าทำจริงจังต้องทำเล่นๆรู้สึกตรงนี้ไหมบางครั้งก็เหมือนรู้สึกตัวชัดบางครั้งก็เบลอๆไปนี่ก็ก็คือสภาวะที่เปลี่ยนเหมือนกัน พอไปเราจะรู้ในตรงที่เบลื้มเลืไปนะั่นจิสเหลวไ ห, ไหลไปกินมันหลงไปแต่ตรงที่รู้ชัดก็ต้องระวังอย่าไปทําขึ้นมาก็รู้ชัดแบบแข็งแข็งรู้คมกลิ่นเลยเนะี่ยอันนี้รู้รู้จบดแลนะ้วรู้จริงๆเนะี่ยอ่อนโยนนุ่มนวนว่องแส้ ว, ว่อวใยควรแก่การเงนินรู้ซื่อๆแล้วใส่หมวกเจียนทั้นสอนอยกั น, นรู้ซื่อๆการทาเกียรติคับสอน อูซื่อๆถ้าใครจะถามอะไรเชิญเนาะตรนนี้หลายสำนักเนาะพูดยากโยมโยมปรนะอาอะไรฮะอโอเคน้องใหม่ดีโยมโยมจิตสิติช่อมทางอนะนาปานาสตรนนะีที่อยากเรียวีนถามจนว่าระหว่างตัวผู้รู้ผู้ถูกรู้่เราเราเราจะสามารถแยกได้เด่งชัดไนะ เอาง่ายๆนะเอาหายใจไปคำนวณลมหายใจไปสิทำไปทําไปเลยสังเกตไหมว่าลมหายใจมันเป็นของที่ถูกรู้จิตที่ไปส่ว น, นรู้ลมหายใจมันอยู่ต่างหากแล้วสังเกตไหมมันมีสองแบบเนี๋ยวไปทําเรื่อยๆแล้วสังเกตเห็นหนึ่งอันหนึ่งก็คือหายใจอยู่อย่างนี้ยจิตก็อยู่อย่างนี้อีกอันห น, นึ่งเนี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไหลไปรวมอยู่กับลม อันนี้หลงแนละ้วหลง ล, งลงมไปจิตโมหแนะแทรกแล้ยดั้นรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้เห็นลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกเราสักแต่รู้สักแตดูอยู่เสร็จแล้วเราจะเห็นตัวเนี้ยมันไม่ดูอยู่เฉยๆหรอกบางทีมันหนีไปเที่อยวที่อื่นไม่ดูลมหายใจบางทีก็มารู้ลมหายใจบางทีก็ไหลเข้าอยู่ในลมหายใจมันมีพฤติกรราอะไรเนี่รู้ทันตัวนี้ไปเรือยแต่ห้ามจ้องใส่มันนะ ห้ามจ้องใส่ตัวรู้นะใจสงสัยครับไหมเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปที่จิตของเราจิตมันมีอาการอย่างต่างๆมีอารมณ์ต่างต่า ง, า ง, า ง, างอันนี้ดูออกไหมมันหาาตัวรู้ยังไม่ชัดอืมันไม่ชัดหรอกชัดต้องทําฌานคนที่ทําตัวรู้ขึ้นมาจนตัวรู้ชัดเด่นอยู่ได้ทั้งวันเนี้นะเพวกที่เล่นฌานหมด อย่างเราไม่ได้เล่นฌานเนี่ยความรู้สึกตัวเนี้ยเกิดขณะเดียวสั้นนิดเดียวนี่ก็คัิกะสมาณที่สั้นๆเ น, นี่ยเส้นไหวรู้ไหมตอนที่ไหว้เงี้ยรู้สึกไหมแล้วใจเราไปอยู่ที่ไหนเ น, นี่ยเห็นไหมเห็นไหมใจนี้ไม่คิดเลยนนนนเห็นไหมมั น, น, นเป็นสะัญชาตาเนีเออนะนักกีบวิยาบอกสัญชาตญาณไม่ใช่กับคน <c oughs> มันมีความเคยชินเคยชินเคยชินนี่เราไปดูคอยใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สบายสบายเดี๋ยวก็ตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวอย่างงั้นอย่าเงี้ยเนี่ยเข้ารู้ไปเรืยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงนะเบื้องต้นหัดอย่างนี้ง่ายๆส่วนการจะทํากําหนดลมหายใจทําเพื่อพักผ่อนอะไรก็ทําไปเถอะ แต่ว่าพอทำพักผ่อนพอเป็นควรแล้วก็ให้มาสังเกตที่จิตใจของเราเคยรู้สึกไหมว่าใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเอออย่างจิตใจตอนนี้กับตอนที่นั่งตรงโน้นกับตอนที่คลานมาทีนี้ไม่เหมือนกันที่ทหนึ่งดูออกไหม <c oughs> ต่างนั่นแหละการเห็นความต่างนั้นถูกต้องแล้วแต่การเห็นความต่างของเราในเบื้องต้นเนี่ยมันต่างเขาเราเปรียบเทียบใช้การศึกษาเปรียบเทียบว่าขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกัน อันนี้ยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้แต่เป็นเบื้องต้นต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทีแรกเราเห็นตัวนู้นกับตัวนี้ต่างกันคนละอันตัวถัดไปอีกตัวไม่เหมือนกันอีกอารมณ์แต่ละตัวแต่ละตัวต่างกันนี้พอเราเห็นว่ามันต่างกันไปเรื่อยๆต่อไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตา ต, ตัวนี้จะขึ้นมาเจอวิปัสสนาจริงๆเพราะงั้นเบื้องต้นของเราเนี่ยต้องรู้ความต่างไปก่อน อย่างใจตอนเนี้ยนิ่งกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วจะนิ่งรู้ว่านิ่งไม่เหมือนกันดูออกใช่ไหมแค่เข้ารู้บางต่างมง่ายนิดเดียวเลยอีกที Zo ่เข้ารู้ได้จะจะต้องเป็นจิตที่นิ่งหรือว่าหือว่าจิตที่มีมรู้เ่ามีสติเอามีสติออวนะวิธีมีสติก็คือหัดรูาาาาาาร้สภาวะอย่างการหัดรู้สภาวะก็คือสภาวะปัจจุบันกับสภาวะเะกี้ไม่เหมือนกัน รนะูปนี้กับรูปนี้นี่คนละรูปกันไม่เหมือนกันหรือจิตขณะนี้กับจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนี่เป็นการหัดดูสภาวะหรือเมื่อกี้โกรธตอนนี้เฉยๆนะเมื่อกี้มีความใคร่ตอนนี้เฉยๆเมื่อกี้เครียดแค้นตอนนี้เฉยๆเราเฝ้ารู้ไปในี่สุดเราจะจับสภาวะได้เยอะเลยจะจําได้อ๋อจิตโกรธมันเป็นอย่างนี้จิตโลภจิตหลงเป็นอย่างนี้ปีสี่เป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้แล้วเฉยๆเป็นอย่างนี้ ซืบื้อเป็นอย่างนี้เฉยแล้วรู้ตัวเป็นอย่างนี้เฉยซื่อบื้อเป็นอย่างนี้เพราะเแยกออกหมดพอเราจําสภาวะได้เยอะนะสภาวะอะไรกําลังปรากฏนี่สติจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยอย่างถ้าเราไปฝึกรู้อิทิยบบทนะเรารู้การเคลื่อนไหวคู้จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลกขวาต่อมาพอเรามาคุยกันเพลินๆเ น, นี่ยแล้วพอเราเผลอตัวเผลอสติขาดสตินะพอเราไปยักหน้าขึ้นนี่จะรู้สึกตัวเลยจะรู้สึกขึ้นมาเอง ตรงที่มันรู้สึกขึ้นมาเองเนี่ยจิตใจจะรู้สึกแบบนิ่มๆจิตจะเบามีรักหูตาจิตจะมู๊ตุตาคืออ่อนโยนนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วไม่นิ่งไม่ชือบึ้ซื่อบึ้จิตหนีไปคิดสัาไหมอเออเนี่ยหัดรู้ได้สภาวะอีกอันหนึ่งแล้วหนไหมหนีไปคิดนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยคอยดูหัดดูสภาว ะ, ะทีละอันทีละอันพอเราจำสภาวะได้เยอะนะ ต่อไปสภาวะตัวไหนเกิดสติก็เกิดขึ้นมาพาสติเกิดเองขึ้นมาเนี่ยสมาสมาธิขึ้นใจตั้งมั่นก็จะเกิดเองเพราะว่าสติเนี่ยเป็นต้นทางธรรมะป่ายุคสทั้งหมดเนี่ยเรมีสตินะั้นก็จะมีอิริโอตสัปปะมีอินทรีย์สังวรมีศีลมีสัมมาสมาธิมียัญถาภูตยา น, นาทัศนคือเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงเป็นตัวปัญญาแต่ถึงดิมุตมาจากสติเท่านั้นเน แังนะ้ต้นทางก็คือมีสติเห็นไหมหนีไปแล้วหนีไปคิดดูออกไห ม, ม เ, เนีอี้ย่ยางเงี้ยหนีไปคิดแวบบรู้แวบบรู้ต่อไปพอมันเริ่มหนีท่านะรู้ทันะถ้าคนไม่เคยฝึกอะแวบบตั้งแต่เช้ารู้นเย็นเลย <c oughs> แค่นี้เองนะมีสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตเนี่ยมันจะมีธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชิน อย่างจิตตัวไหนเคยโกรธมันก็จะโกรธบ่อยโกรธเร็วโกรธนานจิตตัวไหนเคยโลภนะมันก็โลภบ่อยโลภเร็วโลภนานถ้าจิตเคยมีสติสติจะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนไปกลายเป็นมหาสติที่หยิบโดยไม่ได้เจตนานนะถึงตรงนั้นแล้วมันสบายแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติใครมาถามว่าปฏิบัติทํำยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยนะสติมันทํางานเนี่ยหนีไปคิดรู้ไหม อันนี้หัดอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆพี่บอกนี้ไม่ได้ว่านะแต่บอกให้หัดถังเกตเหมือนบางคนโมโหนะมีบางคนบอกต่อโมโหเลยถามว่าจากผิดอารตามดูจิตวิญญาณให้ดูจิตตนเองนะจิตคนอื่นไม่ต้องดูนะ ดูจิตคนอื่นนะ่ะดูได้เร็วกว่าดูจิตตัวเองเ <All right. S 1> พราะเราชอบต่อรู้ส่อเอง <laughs> อย่างเรื่องในบ้านเราบางทีเราไม่รู้นะ <laughs> ข้างบ้านทำอะไรเรารู้หมดเลย <laughs> เราชอบดูจิตคนอื่นนี่ฝึนง่าย อ, <laughs> อะไรนะเออ เออเกออเอออืมอืม แต่ถัดจากนั้นเริ่มคิดทั้งใหม่ราคาไม่ดีการเป็นขอไม่ดีน่ารังเกียจ ม, มันเริ่มให้ค่าหลงทั้งใหม่แนะรู้ทันมีสติรู้ทันว่าอ้าะหลงไปให้ค่าแนละ้วคราวนี้หลุดไปทั้งพวงเลยอเอาปัจจุบัน อ, อารมณ์เนี้ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยถ้าเรามัวหลงดูอารมณ์ที่เป็นอดีตเนะ้ยยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นสัญญาจำเอาไว้เฉย น, นดูอารมณ์ปจุบันเหมือ น, นที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะอย่างพวกหนุ่มๆเนี่ยตามองเห็นรูปรูปนึงถ้าสติทันก็คือตาเห็นรูปจบแล้วถ้าสติไม่ทนันโอ้สาวสวยจิตเกิดราคะถ้าจิตเกิดราคะรู้ว่าเกิดราคะอ่ะก็ใช้ได้แล้วส่วนมากพอเกิดราคะแล้วเป็นนักปฏิบัติราคะไม่ดีหลงอีกรอบแนะเขารู้ว่ามีราคานะน่ะถูกแนละ้วก็ไปคิดว่าราคะไม่ดีที่ลงคั้งใหม่ อยากละราคาพออยากละราคาทำไงไปเอารูปผู้หญิงซึ่งเขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะรูปขึ้นเป็นอดีตไปแล้วเอามานั่งพิจารณาเนี่ยผู้หญิงไม่สวยโตกับโตกนะเห็นไหมไม่ใช่รู้อารมณ์ปัจจุบันแต่เอ า, อารมณ์ในอดีตในเอาความจํามาใช้นี่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องมีอารมณ์เป็นรูปธรรมนามธรรมของปัจจุบั น, นถ้าองินตาเห็นรูปผู้หญิงตาเห็นรูปเฉยๆไง ปัจจมันบอกผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้หญิงส ว, สวยก็สวยก็สวยราคะ เ, เ, เกิดก็เกิดก็เนกะิดรู้ลงไป อ, อยากให้ราคะดับรู้ว่าอยากให้ราคะดับไม่รู้ไปอย่างี้รู้ลงปัจจุบันไปด้วยไม่ไม่ใช่ไปจับอารมณ์อดีตขึ้นมาเอออยู่ที่สลับสลับที่ใจไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ตั้งมั่นนี่นะนกใช่จิตรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นรู้เฉยเฉย ถ้าอยากให้ตั้งมัง่นรู้ว่าอยากให้ตั้งมั่นเป็นอารมณ์ปัจจุบันอะรู้อย่างนี้หมุนรอบตัวขี่ยิบเลยถ้าดูดูจิตมันก็เร็วอย่างนี้เร็วถ้าดูกายมันก็ช้าหน่อยอย่างนั่งอยู่เนี่ดูรูปนั่งรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนั่งดูไปนะรู้สึกไหมว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่เราเห็นวัดถุมก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้อนะนั่งดูนั่งไปนานเนีนะ่ย ชั่วโมกับชั่วโมงแล้วมมตนั่งคับเทียบเก่งนั่งตั้งนานยังไม่ค่อยจะเมื่อยอยแม้กว่ารูปจะดับรูปหนึ่งนี่นานจังแต่จิตนี่โอ้โหเกิดดับขีดยิบหนึ่งไม่ไม่ทํานะทําอีกแล้วรู้ไหมเรายังจะเขียงแทนกิเลสผมทำนิดเดียว <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกคมทั้งหลายนะเหมือนบุตจยาละก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น <c oughs> สติรู้ไหมหลับลงไปแล้วถ้าใครมีอะไรเชิญนะถามไม่ใช่ไม่ใช่สติละเอียดนอหมายถึงว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะหยาบหรือมันจะละเอียดอะไรเนี้ยมันเท่าๆกันทั้งหมดนะอย่างเช่นว่าจิตใจของเราอยากทําบุญ คิดถึงพระแล้วมันมีความสุขมันอิ่มใจนี่เป็นอารมณ์ที่สนิทอารมณ์ใส่กุศลแล้วก็รู้ว่าจิตใจกําลังอิ่มเอิบในธรรมะจิตใจมีความสุขกับความดีเราเข้ารู้ลงไปไม่เห็นมันดับเกิดแล้วมันดับเหมือนกันนี่จิตโกรธแค้นไอจิตไม่ดีเลยจิตหยาบเข้ารู้ลงไปเรื่อยๆ อ, อ้าจิตที่โกรธแค้นก็ดับเหมือนกัน เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจะหยาบจะละเอียดจะเป็นธรรมะภายในจะเป็นธรรมะภายนอกเนี่ยสแสดงบทเรียนอันเดียวกันหมดสแสดงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติละเอียดเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นอารมณ์ยาวคนที่ดูจิตไม่จําเป็นว่าจะต้องเก่งกว่าคนที่รู้กายไม่เกี่ยวกับการรู้เร็วรู้ช้าด้วยเย อ, อารมณ์ทุกตัวเนี่นนะสแสดงธรรมะเรื่องเดียวกันคล้ายๆมีหลายมือชั่น อ่านเวอร์ชันนี้เข้าใจอ่ะอีกคนหนึ่งมาดูเวอร์ชันนี้ไม่รู้เรื่องเลยต้องไปอ่านอีกสำนวนหนึ่งต้องมองในใจมันก็สคัญแล้วรู้ว่าความรู้กใจคือมีสติก็คือรู้ไปเรื่อยทีลกษณะทีลกษณะนะท่าขณะที่รู้ใจตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซง มีสัมมาส ม, มาธิไม่เข้าไปแทกแซงสักแล้วรู้แต่ก็เห็นอยู่ก็จะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหมดผ่านมาผ่านไปนเนี่ยปัญญามันจะค่อยๆกรรลับกลับไปเรารู้ตอนน่อเรื่องไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้ให้บ่อยหน่อยก็แล้วกันแต่จะรู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ได้รู้ตลอดเวลานะ อย่างขนาดที่ตารราลหันเห็นรูปเนี่ยมันก็เป็นวิบากจิตเหมือนที่เราเห็นมันก็จิตชนินดเดียวกันอนเเมื่อทานวเสรก็มองหาหลังอก็คิดวาด็กนี่เป็นอะไรก็คิว่านอไรก่ในแว่นที่มองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนยืนไหนรู้แต่ว่าเป็นคนเออ อันอีเรไม่ไ้ตั้งใจอนไม่ต้งใจสติเราเร็วขึ้นแล้วนะอย่างถ้าเราสติเราไวาจริงพระตาเห็นรูปเนี่ยไม่รู้ว่ารูปอะไรนะตรงที่รูปอะไรเนี่ยสมมติปัญญาันเกิดแล้วอ๋อไม่ต้องใจแต่ว่าหัดตามรู้บ่อยๆเอาเชิญคุยได้ห้ามไม่ได้ จิตใจเราเป็นนักวิจาร์ห้ามไม่ได้นะยังดีกว่าเป็นนักประพันธ์นะเป็นแค่นักวิจาร์บางคนเป็นนักอ่านเนี่ยถ้าอุดมคติเลยของนักปฏิบัติแนละ้วเป็นนักอ่านที่ดีหมายถึงมันมีอะไรให้อ่านก็อ่านไปงั้นแหละ mm hmm. อีกพวกหนึ่งเป็นนักวิจาร์นะอ่านราคาไม่ดีนะนะในง้นอย่างนี้เนี่ยมีค่าวิจาร์อีกพวกหนึ่งเป็นนักประพันธ์ แต่งเร mm hmm. ื่องตัวเองเลยหลงวิจินเอาไม่ใช่ร yup. ู้เฉยๆถ้ารู้นะรู้แล้วมันจะเฉยเองแต่ถ้ารู้แล้วมันจะวิจาร์รู้ว่ามันวิจาร์รู้แล้วถ้ามันชอบรู้ว่ามันชอบมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนัไม่เลือกนะไม่ใช่ว่าปัญญาไม่ใช่คิดรู้ว่าแต่งเรื่องชรู้ว่ามันแต่งแล้วชอบคิดอดีต คิดแล้วกุ้มใจเนีเอ๊ะแล้วไปคิดมันทําไมอย่าไปคิดมันสิรู้แล้ววิจารหนึ่งแล้วะ <c oughs> เข้าไปแตรกแต่งแล้ว <c oughs> เนี่ยรู้ไปลงทีลักษณะ น, นะแล้วไม่มีความทุกข์มากหรอกมีทุกข์นิดหน่อยพองน้ำใจหนีไปรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันเผลอไปก็ร่วมเผลอไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหนีไปคิดทราบไหม ไม่ไม่ไม่เอาคือปั ญ, ญญาไม่มีสามตัวอันหนึ่งเรียกว่าสุดสามัญญาปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านนะอันที่สองกินสามายญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดส่วนมิปัสสนาเนี่ยนะเป็นภาวนาสาปัญญาแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทํามิปัสสนาได้เราก็ต้องฟังต้องคิดก่อนเพราะเราเป็นสาวกภูมิงร้นอย่างเรามานั่งฟังเนี่ยเราได้ปัญญาจากการฟัง พอฟังเสร็จแล้ ว, ลวเราก็มาไส้ครวญดูว่าตรงไหนที่เรายังพลาดอยู่เปัญญาจากการคิดตรงนี้ยังไม่ใช้วิปัสนาเอาล่ะเข้าใจวิธีการแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะตามรู้กายอยู่ในอาการอย่างไรเราจะตามรู้จิตมีอาการอย่างไรเราก็จะตามรู้ไปตามที่เขาเป็นเนเรารู้หลักแล้วตอนมาลงมือตามรู้ เ, เรื่องภาวนา เป็นการทำนิพพสนาตามรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงจกนกระทั่ทงตามรู้รับรู้ความเข้าใจเภวนามยัตยานยามไม่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการตามรู้จึงเข้าใจความจริงเพราะสิ่งที่คิดนี่ไม่ใช่ความจริงหรอกมันคือความคิดสิ่งที่ฟังมามันก็ไม่ใช่ความจริงมันคือความจำอย่างตอนนี้ฟังอัตมาได้ความจำจําแล้วก็สังเกตไห้ฟังแล้วก็จะไปคิด คิดๆพอเข้าใจได้ความคิดแล้วจาแล้วก็กลายเป็นความจําอีกจำเอาไว้จําจไว้ก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วะจะต้องตามรู้กายตามรู้ใจกายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้จิตใจมีอาการอย่างไรก็รู้ ไ, ได้หลายหลังจากนั้นมาตามรู้แล้วตามรู้ไม่คิดเอานะเหมือนอย่างเราดูเด็กสักคนเราอยากรู้ว่าเด็ก น, นิสัยยังไงอย่าไปคิดเอา้าคิดเอามันมั่ว แล้วก็ไปดูว่าเด็กคนนี้มันมีพฤติกรรมยังไงมันมีพฤติกรรมโอ้ใครมาแย่งขนมของมันนั้นมันชกเลยมันดูร้ายมากเนี่ยหือไอคนนี้มีพฤติกรรมที่โลภชอบไปขโมยของคนอื่นแต่ถ้าเราไปคิดเอาเด็กคนนี้หน้าตาไร้นะคงจะนิสัยดีใช่ไหมความคิดไม่ได้ให้ความจริงดูออกไหมจิต ใ, ใจเราไปทําอะไรไง่า้งูดฟังแล้วก็ ดูให้เป็นความบ้างเนาะือเคยแบกบินบางมเรื่องแบบว่าเอ๊ะถ้าเราไม่รีดีไม่รีอะไรนี้ยใช่คะองท่<ม>าว<ม>ว่างหมดไม่ว่าดีหรืสาวคว่ า, า, า, วาไม่ใช่เลยไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะแต่ท่านพุทธทาสสอน <c oughs> แต่ท่านก็ อะไรว่างเหรอนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคําว่าว่างเนี่ยเราไปดูในพระไตรปิฎกสิมีไหมคืออย่างนิพพานเนี่ยนะนิพพานไม่ใช่แต่ว่าว่างๆนิพพานที่นิยามที่พระพุทธเจ้าให้จริงๆคือความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหานิพพานนี้มันสิ้นได้ด้วยอะไร สมุนไทยไปต่างหากที่มันมสุขละได้ด้วยอะไรสุขาะได้ด้วยการฮู้ทนะูปะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไปตามร่างกายตามรู้ใจจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าจะเรียกว่าว่างก็บอกว่างจากความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นเอาแต่อย่างอยู่ๆเราก็บอกว่า้ โ, โลกธาตุนี่ว่างไงนัน้นก็ว่าง น, นี่ก็ว่างเคยมีคนหนึ่งนะเรียนมากเลยแล้วเก่งรอบด้านเลย อยู่การสื่อสาร้กันเน่อยู่ที่เดียวกับโยะเป็นระดับกองเลยนะเรียนธรรมจบบริเช็เก้าด้วยเข้าวัดป่าต่อมาเยอะเลยเวลาไปทานอาหารเนี่ยเด็กเสร์ฟชาต่อชาดเลททำไมตบเขาทำไมจิตว่างตกไปยังงั้นเป็นปรียาเออเขาไม่เอาฟังต่อชอาว่างๆก็บ้าง ไม่ว่างๆส่งเด็นไม่ได้นะโฟส่าเกิดเราไม่เห็นแล้วเป็นตบด้วยจิตว่างนี่างนี้คิดไม่ได้เรื่องว่างๆต้องระวังนะอี่คิดเอาต้องตามรู้เอาว่ากายเนี้ยเป็นตัวเราไหมว่าง้อว่างจากความเป็นตัวตนแต่การจะว่างจากความเป็นตัวตนนี้คิดเอาไม่ได้ต้องรู้เอามิฉะั้นเราจะได้สัญญาจากการคิดสัญญาจากการคิดไม่พอ ถ้าปัญญาจากการคิดเนี่ยสามารถทําให้เราปรรลุธทําได้นะใครๆก็บรรลุได้เพราะทุกคนคิดเก่งแทำไมท่านต้องสอนให้ทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่ยังบอกอีกว่าสติปัฏฐานมีทางสายเดียวแต่ถ้าคิดเอาก็ไม่มีนะเรื่องจินตารู้ปัจจนาหรือให้ตามคิดไปเรื่อยๆจินตารูปาสส้ปัจจนาสติปัฏฐานไม่มีนะ สุญญตาคือความว่างจากความปุ๊บว่างจากความเป็นตัวตนคือจริงๆแล้วคานี้ส่วนใหญ่มหายาตก็ไปใช้ของเราก็มีเหมือนกันสุญญตาพิโมกข์หลุดพ้นเพราะาหเห็นความไม่ใช่ตัวตนหลุดน้นก็เห็นอนัตตาของเรามีคําว่าอนัตตานี้สุญญตาส่วนมากเป็นคำทางฝ่ายมหายานติใช้กัน นีพอเราได้ยินคำว่าสุญญาตาล้วก็เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะปฏิบัติให้มารู้มากผลเราไปดูสุญญาตาเลยดีไหมหรือเราไปดูนิพพานเลยดีไหมทำไมต้องมารู้กายรู้ใจเราดูสุญญาตาไม่ได้สัญญาเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องดูรูปดูนามดูกายดูใจมันจิตมันปล่อยกายปล่อยใจแล้วมันถึงจะเห็นเห็นนิพพาน จะเรียกสุญียตาอะไรก็ได้นะสุนาีตาวิโมกคือการบรรลุธรรมเนี่ยเพราะว่าเห็นอนัตาาตาเป็นเห็น <c oughs> <c oughs> นิพพานอันนี้มิตตาวิโมกบรรลุเพราะการไม่ยึดในเครื่องหมายใดๆนะอ่าไปมิหิตตาวิโมกมีสามวิโมกก็คือเห็นอนิจจังก็ฝังอนัตตาจะเห็นอนิจจังก็เห็นนิพพาน จะเห็นทุกขังก็เห็นนิพพานจะเห็นหน้าตาก็เห็นนิพพาน เ, เห็นอะไรหนึ่งก็นิพพานทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูศูนย์ยึตาวิโมกข์ถึงจะเห็น น, นิพพานอ้าวน้งองเพื่อน คือคือในขณะที่เรารู้รา้าเนี่ยเราไม่ได้รู้ผัสษานั้นแล้วแต่คนละขนาดค่ะแต่ถ้าสู้ไมไหวก็ถอยก่อนคือผัสสะนี่นะเกิดจากทีิบาทกรรมเก่าเราส่งวรให้เราต้องกระทบผัสษาอย่างเงี้ย <c oughs> จริงจริงหนีก็ไม่ค่อยรอดหรอกนี้อันนี้ก็ไปเจออื่น มันมีกําลังขึ้นให้เพราะการคิดเคยมีพระพุทธเจ้าเคยมีใครถามหลวงพ่อลืมไปนะพระสูตรเสดยจใดมีคนมาถามพระพุทธเจ้าวอกพระองค์มีการมราคะไหยท่านตอบบอกว่าเราไม่มีการมาราคะเพราะว่าเราไม่มีการมรรคตกไม่มีต้นทางที่จะเกิดราคะเลเพราะงั้นตรงขันสาวเนี่ยขันสาวถ้าสัะคบแล้วไม่มีมรตกต่อเนีก็ไม่มีราคะ เหมือนอย่างเห็นเขาขับรถบาดหน้าถึง่านแล้วไม่คิดต่อไม่โกรดหลงเห็นสาวเดินมาไม่คิดต่อไม่มีราคาหรอกถ้านถึงสอนไงว่าอย่ามีการมรวิตกนะมีการ ม, านะมารวิตกแล้วราคามันเกิดอมีพยาบาทมรรคตกนะโทสะมันจะเกิดตัววิหิงษาวิตกเนี่ยเป็นตัวเหมารวมเบียบเรียนเบียดเบียนผู้อื่นนั่งเบียดเบียนตัวเองนันมันเกิดจากหน้าของโมหะ ในองค์มัชสนะอนให้ครบเลยเยอะสอ น, น, นทั้งเรื่องวิจตกเือการคิดนะอย่าไปตื้อเรื่องนี้รู้ทันมันกระทบอารมณ์จริงๆไม่ใช่วิจต์เอาใครมีเลยรเชิเเญก็แล้วแต่คนน้าส่วนใหญ่ดูทาสมาธิจึดเคลิ้มงงก็แง่งงแก็แง่ก็ดูไม่ออกแต่ถ้าทสาํสมาสมาธิได้หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไป เอาลมหายใจเอาพุทโธเอาท้องฟองยุกยกเท้ยาย่างเท้าอะไรเนี่ยมน เ, เป็นเหยื่อลอ่อก็จะดูจิตอย่างนี้นจะดูจิตได้ชั ด, ชดอะไรนะรรนนคือนิ่งๆถ้าทำเพื่อพักผ่อนก็ถูกต่อไปนี้เป็นเวลาพักผ่อนทำใจให้อยู่กัลบลมเป็นเดียวหายใจเข้าหายใจออกไม่คิดอะไรใช้ได้แม้เราจะทำอะไรเราจะทำความสงบ ทำเพื่ออะไรเพื่อจะพักผ่อนืเราทําด้วยปัญญาแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าทํำเพิ่มๆแล้วจะเกิดรู้ทำทเข้าใจผิดแล้วทําด้วยโมหะเพราะฉะนั้นสมถาก็ควรทำํำพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถาและวิปัสสนาด้วยปัญญายิ่งหมายถึงว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัด ระหว่งางทําก็ไม่หลงไปไม่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ทําอยู่ต่อนไปนี้เป็นเวลาทําความสงบให้ใจไปให้สงบไม่ใช่ให้เกิดปัญญาแต่เพื่อจะพักผ่อนขณะนี้เป็นเวลาตามรู้กายตามรู้ใจอจะให้เกิดปัญญาก็ไม่ใช่เวลาทําความสงบแต่ว่าในขณะที่ตามรู้กายตามรู้ใจเนี่ยจิตตทรงตั้งมั่นนี่ตัวตมสมามาธิอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวสงบแต่เป็นตัวตั้งมั่น เห็นไหมจิตไปคิดทราบไหมเออที่หันอย่างนี้ยรู้สภาวะไหลไปคิดไหลไปอย่างนี้แล้วจะเห็นเลยว่ามันไหลทั้งวันอะ่ะดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าห้ามไม่ได้เห็นไหมพอเจริญสติถูกต้องเห็นสภาวะถูกต้องมันจะบอกอยู่ตลอดเวลาลว่าห้ามไม่ได้หรอกธรรมะไม่ได้ยากเลยนี่เราอยากได้ธรรมะแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็รู้รการทํานําการทํานี้หนหละ แล้มันแสดงใจรักให้เราดูธรรมะเราดูกันตรงนี้ไม่ได้ไปดูในความว่างนะเอออยู่ๆดูความว่างป้ากฏว่ามันดูไม่ได้มาดูไปความว่างใจไปดูอะไรรู้ไหมวุฒิไปดูช่องว่างครับจิตจะพลิกเข้าไปสิ่งที่เรียกว่าอากาสารัญยสนาเขาเอารูปปัจจานาอยู่ๆไปดูความว่างใจไปดูช่องว่างหรือไปดูความไม่มีอะไรเลยอากินจัญยสนะ แล้วพุทศเจ้าเลมไม่ได้สอนท่าเลยสอนบอกให้รู้กายรู้ใจมิให้รู้ช่องว่างนะต้องรู้กายรู้ใจไหยรู้สติปัฏฐานสี่รู้กายานุปสัสสนารู้กายใช่ไหมเวทนาเนี่ยเป็นฝ่ายนมามธรรมจิตต า, า, ารวนามธรรมธรรมานุปสัสสนานี่ยควบทั้งรูปทั้งนามเลยไม่มีแต่ดูรูปดูนามไม่มีดูนิพพานนะไม่มีดูบ่างว่าเออ แล้วก็เข้าใจอย่ๆๆๆๆางนี้ได้ไหเปลี่ยนและเขา้เขาใจ ข, ของทูต้องก็ได้เห็นกันนะได้เบื้องต้ น, น <c oughs> คือเวลาสมมติเราจะตายจริงจริงเนี่ยจะทั้งไม่ทำอะไรไม่ได้แลวนะ <c oughs> พุทโธลูกเดียวยังดีกว่าไม่ทาอะไรเลย <c oughs> คือให้จิตนี่เคล้าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นทูต้องไม่อดีตอย่างเราโอ้เจ็บหนักแล้วเราจเจริญสติก็ไม่ได้นะ <c oughs> คิดไปเลยว่าร่างกายเนี่ย ไม่เที่ยงหรอกเนี่ยกาลังจะแตกดับจิต ใ, ใจสบายไปสุขติถามว่าไปนิพพานได้ไหมไม่นิพพานอนะ่ะแต่ไปสุขติมันก็รู้สึกว่าเออเรานี่แหละไม่เที่ยงใช่เราจรงอยู่ที่อาจาย์มหาบัวสอนเรื่อยๆํานวณท่านบอกว่าพิเลนมันหนังไม่สลอกเลยถ้าเราปฏิบัติเลยไม่ได้เจริญสตินะหนังมันไม่สลอกคือความเป็นเรานี่ไม่เคยกระทบกระเทือนเลย มันจะเป็นเราเราปฏิบัติเราดีเราสุขเราทุกขไปด้วยเสร็จแล้วเราจะได้แค่ไหนเราจะได้แค่เ่าดีก็ได้กรกรมกรมมาวาจรกุศลหรือหรือถ้ากำหนดลงไปจิตรวมะก็อาลมณ์ไปรูปาวาจรกุศลเป็นปรูปปรลุมสามารถจะนิพพานไหยไม่นิพพานอยากนิพพานต้อไม่มีตัณหา ปัญหาคือความทยานดุจจิตปัญหามีหกอย่างนะคือความยึดรูปทยานเป็นยึดรูปความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นในรสปวดสะพ้าความอยากในธรรมารมอยากปฏิบัติธรรมนี้เรมีธรรมตัญหาหลับใดที่มีธรรมะัญหาก็ต้องเกิดอีกแหละพอตายแล้วตกกระไรป้อนจนไม่ได้ โยอยังตกกระไดไฟจุดไม่ได้ขาหักแน่นอนเพราะงั้นถ้าโยถูกปรับจะตายนะนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่านึกถึงุงพ่อนะเดี๋ว่าเป็นเศษเป้าวัดหลงพ่อนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เหนือหลวงพ่อกลัวผีขึ้นมายุ่งคุณตุนั้นมีเไหม อก็รู้มันไปเออก็รู้มันไปเรื่อยมันเป็นยังไงก็ช่างมันนานๆมาทีว่าไหมมันระวัง